ไข้ลุกเสือรังสมภัสสยองสวัสดีแอดมินและแฟนๆชาวสมภัสสยองทุกคนวันนี้เราอยากจะนำประสบการณ์ขนหัวลุกของเรา ที่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตนเองมาแบ่งปันให้ฟังเรามีชื่อว่านา้ำปัจจุบันอายุ19ปีเราอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองตอนนั้นที่โรงเรียนมีการเข้าค่ายลูกเสือพักแรมสองคืนสวันซึ่งค่ายที่เราไปพักกันอยู่นั้นก็ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่ ก่อนที่เราจะมายัางค่ายนี้ก็เคยได้ยินอยู่บ้างว่าที่นี่เคยถูกปิดปล่อยทิ้งร้างมาหลายสิบปีแล้วมันก็ถูกปรับปรุงทําความสะอาดดูแลขึ้นมาใหม่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังสงสัยว่ามันถูกปิดเพราะอะไรเวลาแปดโมงเช้าของวันเสาร์เมื่อพวกเราและครูผู้ดูแลเดินทางมาถึงค่าย แบบแรกที่เราเดินเข้าไปก็รู้สึกไม่ดีเพราะตัวเราเองก็เป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วแต่ก็คิดว่าคงเป็นเพราะที่นี่เป็นป่าเถึบเลยดูคลึ้มๆจึงไม่ได้คิดอะไรก็ทำภารกิจของลูกเสือเนธนารีต่อไปซึ่งมีการผจญภัยฐานต่างๆพอตกเย็นก็อาบน้ำกินข้าวตามที่ครูสั่ง แล้วคุณครูก็ให้นักศึกษาไปจุดทูกบอกกล่าวเจ้าที่ในขณะที่เรากําลังจุดทูปอยู่ก็เห็นคนแก่สองคนยืนอยู่ด้านหลังศาลซึ่งก่อนหน้านั้นเราสังเกตเห็นว่าที่ตรงนั้นมันไม่มีใครยืนอยู่เลยแล้วตรงนั้นมันก็มืดมากด้วยแต่ที่ทำให้เราพอจะมองเห็นได้ก็เพราะไฟฉายจากมือถือที่เปิดส่องในตอนนั้น เรารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวพร้อมกับตัวสันแต่ปากก็ยังท่องตามที่ครูบอกพยายามจะไม่คิดอะไรมากจูจูเราก็หายขึ้นมาเราอ้าปากกว้างมาหาวน้ําตาไหลจนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นหันมามองเพื่อนคนหนึ่งทักเราขึ้นมาว่าน้ําแกเป็นอะไรแต่เราก็ไม่ได้ตอบมันถามแบบนี้อยู่สามสี่ครั้ง แล้วก็เงียบไปสักพักมันก็หันมาพูดอีกว่าเฮ้ยน้ำอย่าเล่นอะไรแบบนี้นะน่ากลัวตอนนั้นครูท่องจบพอดีแล้วก็ให้นักศึกษาทุกคนนำทูปไปปักในกระถางตรงหน้าศาลเมื่อเราปากักทูปอาการแปลกๆนั้นก็หายไปหลังจากจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเสร็จพวกเราก็ไปเข้ากิจกรรมตอนกลางคืนต่อ ถึงแม้บรรยากาศตรงนั้นมันจะมีความสนุกและเอะอะเสียงดังแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันซ่อนความวังเวงเอาไว้แล้วเหมือนกับว่ากําลังมีคนจ้องมองอยู่ภายนอกอาคารแต่เราก็พยายามไม่คิดอะไรมากจนเสร็จกิจกรรมตอนกลางคืนทุกคนจึงแยกย้ายกันเข้าที่พักซึ่งที่พักจะแบ่งออกเป็นห้อง แยกชายหญิงและนอนกันได้ห้องละสิบคนห้องพักนี้จะมีลักษณะคล้ายบ้านหลังเล็กๆถ้าอยู่ข้างนอกมองเข้าไปก็จะเห็นคนข้างในได้เพราะตัวบ้านก่อปูนขึ้นมาถึงระดับอ ก, อกเท่านั้นแล้วก็จะเป็นมุงลวดสลับกับไม้กันเป็นแผ่นๆตลอดทั้งหลังและมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังห้องที่ด้านหลังห้องน้าก็จะเป็นป่าเถอ ซึ่งมันดูน่ากลัวมากในตอนกลางคืนเพราะพวกเรามาถึงที่พักก็มีเพื่อนคนหนึ่งจะเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำเพื่อนคนนี้ชื่อว่าบีบีมันขอให้เราไปเฝ้าหน้าห้องน้ำให้มันหน่อยเพราะมันกลัวเราก็ไปเฝ้าให้ในระหว่างที่รอมาันอาบน้ำอยู่นั้นเราก็ร้องเพลงไปด้วยแต่ร้องยังไม่ทันจบเพลงก็มีเพื่อนอีกคนที่อยู่ในห้อง เรียกให้ไปหาเราจึงเดินออกไปจากหน้าห้องน้ํานั้นผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีในขณะที่เรากําลังจะกลับไปที่หน้าห้องน้ําเพื่อนคนที่ชื่อบีก็เดินออกมาจากห้องน้ําพอดีและด่าเราว่าน้ํากูบอกให้มึงหยุดร้องเพลไงอีบ้ากูกลัวเราก็ยืนงงแล้วบอกมันไปว่า กูหยุดบร้องไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังเถียงว่าเราแกล้งมันตอนนั้นเรากลัวว่าบีมันจะสติแตกก็เลยเงียบไม่เถียงกลับไปหลังจากนั้นเราก็หยิบลำโพงบลูทูธของเพื่อนผู้ชายที่ลืมไว้ในกล่องซิดบอกของกลุ่มเอามาเปิดเพลงฟังซึ่งเพลงที่ฟังก็เป็นเพลงจงังหวะแดนซ์จนเวลาประมาณห้าทุ่มกว่า ใครจะเที่ยงคืนอยู่ๆเสียงเพลงก็เงียบไปเราคิดว่าแบตคงจะหมดก็เลยไม่สนใจสักพักก็มีเสียงดังออกมาจากลำโพงเป็นเสียงคล้ายค้คลื่นวิทยุแล้วก็มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่าพวกมึงเห็นกูเป็นเพื่อนเล่นเหรอพวกเราทั้งหกคนที่อยู่ในห้องได้ยินกันหมดทุกคน ส่วนอีกสีคนที่เหลือก็ไปหาเพื่อนอีกห้องหนึ่งตอนนั้นพวกเราทั้งหกคนต่างตกใจและเงียบกันหมดเราก็เลยเอื้อมมือไปปิดลำโพงไม่นานก็มีผู้ชายประมาณ78็คนซึ่งเป็นเพื่อนอยู่อีกห้องหนึ่งเดินมาหาที่หน้าห้องเราบอกว่ามาอลำโพงคืนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเหวยพูดขึ้นมาว่า เมื่อกี้เพื่อนผู้ชายในกลุ่มเห็นผีเป็นผู้ชายใส่ชุดขาวสองคนเดินอยู่แถวๆที่พวกเราไปทำกิจกรรมกันในตอนกลางวันเพราะไอ้นี่มันเป็นปอเต็กตึงมันเห็นอะไรง่ายซึ่งเราก็สังเกตเห็นสีหน้าของเพื่อนผู้ชายคนนี้หน้าตาไม่สู้ดีนักหลังจากนั้นทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปนอนพอเช้ามา ก็มีเพื่อนผู้ชายที่ชื่อแมนมาถามเราว่าเมื่อคืนไปทำอะไรหลังห้องของพวกเขาเรายืนงงอยู่พักหนึ่งแล้วตอบไปว่าเปล่าไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่ห้องนี้ตลอดแต่มันก็เถียงกลับมาว่าเห็นเราจริงๆยังตะโกนถามเลยว่าเดินเข้าไปทำอะไรในป่าตอนนั้นเรางงกับสิ่งที่แมนพูดมาแต่ก็ไม่อยากเถียงให้มากความ เพราะคิดว่าพวกผู้ชายน่าจะปั่นหัวเราเล่นให้เรากลัวจึงไม่สนใจแล้วไปเตรียมตัวเพราะเช้าวันนี้พวกเราจะต้องเดินทางไกลผ่านค่ายทหารและฝ่ายน้นําล้นเมื่อออกเดินทางมาได้สักพักพอถึงฝ่ายน้นําล้นก็ต้องถอดรองเท้าเดินข้ามกันเพราะกลัวรองเท้าจะเปียกทุกคนเดินผ่านไปได้ด้วยดี ่มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมาร์คขณะที่เดินข้ามฝ่ายอยู่นั้นเขาก็ลื่นลม้มตกลงไปในน้ำแต่โชคยังดีที่กระแสน้ำไม่แรงเขาขึ้นมาได้โดยมีสภาพเปียกไปเกือบทั้งตัวเขาบอกว่าขณะที่เดินข้ามฝ่ายอยู่นั้นเหมือนกับมีใครไม่รู้ดึงเขาลงไปเมื่อคุณครูได้ฟังก็บอกว่ามาร์คคิดไปเอง จากนั้นเราก็เดินทางกันต่อเป็นระยะทางที่ไกลมากพอสมควรหลังจากเสร็จภารกิจการเดินทางไกลแล้ว จ, จู่ๆคุณครูผู้ชายท่านหนึ่งก็บอกกับพวกเราว่าเข้าค่ายที่นี่อย่าดือ้อย่าสนเพราะเจ้าที่แรงเมื่อคืนครูเจอมาแล้วเมื่อทุกคนได้ยินดังนั้นก็ฮือฮาทำท่าสนใจกันใหญ่ แล้วครูก็เล่าต่อว่าแกเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องพักของครูตอนนั้นครูตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเพราะพูดถึงเรื่องนั้นก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยแล้วครูก็เล่าต่อไปว่าก่อนที่พวกเราจะมาเข้าค่ายนี้ครูก็เพิ่งมาอบรมกันเมื่อเดือนที่แล้วและได้นอนอยู่ที่นี่ถึงห้าคืนแต่นอนกันแทบไม่ได้ เพราะมีเสียงคนเดินหน้าห้องกลางดึกทุกคืนในระหว่างที่คุณครูเล่าอยู่เราก็เลยหันไปคุยกับเพื่อนว่าเชื่อในสิ่งที่ครูเล่าหรือเปล่าหรือว่าครูจะแต่งเรื่องมาหลอกกันเพื่อนก็ตอบกลับเรามาว่าครูหลอกชัวร์มันยิ้มแล้วหันกลับไปฟังครูเล่าต่อสักพักเราก็ถามคุณครูแทรกเข้าไปว่า ที่นี่เคยมีข่าวว่าถูกปิดไปมันเป็นเพราะอะไรหรอคะคุณครูหันมามองหน้าเราแต่ไม่ตอบแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปเลยคืนนี้เป็นคืนที่สองและเป็นคืนสุดท้ายที่เราต้องนอนกันที่ค่ายนี้ก่อนนอนในคืนนี้ก็มีกิจกรรมเล่นรอบกองไฟซึ่งมันสนุกมากหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว คุณครูก็ปล่อยทุกคนแยกย้ายกันไปนอนแต่คืนนี้ก็แทบจะไม่มีใครได้นอนกันเพราะพวกผู้ชายแอบไปซื้อเหล้าขาวจากร้านในค่ายนี้มาดื่มกินกันจนถึงเช้าพอเช้ามาก็ปิดกองค่ายลูกเสือจากนั้นต่างคนก็ต่างกลับถึงแม้ว่าคืนที่สองนี้เราจะไม่ได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆอะไรแต่พอกลับมาถึงบ้าน และเล่าเรื่องที่เจอในค่ายให้ยายฟังยายของเราก็พูดขึ้นมาว่าที่ค่ายนี้ไม่มีใครเข้าไปกันหรอกเพราะที่นั่นเมื่อนานมาแล้วเคยมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเมื่อได้ฟังเราก็ตื่นเต้นสนใจในสิ่งที่ยายพูดมาจึงขอให้ยายเล่าต่อยายเราเล่าต่อว่าในสมัยก่อนมีพวกทหารกลุ่มหนึ่ง ได้พาผู้หญิงมาค่มขืนและค่าตายที่นี่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเหตุการณ์ที่พวกทหารทะเลาะ ก, กันเองแล้วยิงกันตายที่นั่นทำให้ที่นั่นถูกปล่อยทิ้งร้างไว้และก่อนหนะ้าที่เราจะไปเข้าค่ายนั้นก็มีกลุ่มค่ายลูกเสือเด็กไปเข้าค่ายที่นั่นเหมือนกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมีเด็กคนหนึ่งถูกไฟฟ้าช็อตตาย ทำให้ไม่มีใครเข้าไปใช้ที่นั่นอีกมันจึงถูกทิ้งร้างมาอีกหลายปีจนถูกปรับปรุงใหม่นี่แหละเมื่อเราได้ฟังสิ่งที่ยายพูดก็ตกใจรู้สึกขนลุกแสดงว่าที่คุณครูเล่ามาไม่ได้โกหกหลังจากที่ยายเล่าจบได้สักพักก็มีวินมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาจอดส่งผู้โดยสารบริเวณหน้าบ้านของเรา เมื่อเขาเห็นยายอยู่ตรงหน้าประตูบ้านด้วยความที่วินโมอเตอร์ไซค์คุ้นเคยกับยายเขาก็พูดให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนเขาขี่รถมาก็เห็นมีรถปอเต็กตึงเข้ามาเก็บศพในบริเวณค่ายที่เราเพิ่งไปพักเมื่อสอบถามคนแถวนั้นก็รู้ว่าเขามาเก็บศพคนตายซึ่งน่าจะโดนยิงตายมาจากที่อื่น แล้วถูกนำศพมาทิ้งไว้บริเวณฝ่ายน้ำลน้นสภาพศพนั้นขึ้นอืดและน่าจะตายมาได้สองสามวันแล้วเราได้ฟังก็ขนลุกไปทั้งตัวเพราะฝ่ายน้ำล้นตรงนั้นเป็นเส้นทางที่เราไปทำภารกิจเดินทางไกลเมื่อนึกถึงสิ่งที่มาร์กบอกว่าเขาตกลงไปในน้าและรู้สึกเหมือนมีใครดึงขาลงไปยิ่งทาให้เรากลัวมากขึ้นไปอีก แต่โชคยังดีที่เราไม่ได้เห็นศพศพนั้นไม่อย่างนั้นคงจะหลอนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นไม่นานเราก็ได้ติดต่อเพื่อนๆตามปกติแล้วก็ได้พูดคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ายกับเพื่อนคนหนึ่งจึงได้รู้ว่าไม่ได้มีเพียงแต่เราที่เห็นคนแก่ยือนอยู่ด้านหลังศาลเพียงคนเดียวเพื่อนเราคนนี้ ได้คุยกับเพื่อนคนอื่นๆที่รู้จักกับกลุ่มคนที่เป็นปอเต็กตึงอยู่บ้างจึงเล่าให้เราฟังว่าปอเต็กตึงตอนที่เขาเข้าไปเก็บศพนั้นเขาก็เห็นคนแก่ยืนอยู่ด้านหลังสาล น, นั้นเหมือนกันซึ่งลักษณะที่เพื่อนเราเล่ามานั้นมันตรงกับที่เราเห็นอย่างไม่ผิดเพี้ยนและเราก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนคนไหนฟังเลยเพื่อนเรายังเล่าต่ออีกว่า พี่แบงค์รุ่นพี่คนหนึ่งก็ได้ไปเข้าค่ายนี้ด้วยคืนแรกที่ไปนอนที่ค่ายนั้นเขาก็เจอดีเลยในขณะที่ทุกคนนอนหลับกันหมดแล้วกลางดึกจูจๆพี่แบงค์ก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะรู้สึกเหมือนมีใครนอนเบียดอยู่ข้างๆเขาจึงหันหน้าไปมองก็เจอผีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆเขาและหันหน้ามาจ้องมองด้วยสายตาที่น่ากลัวมาก เขาตกใจสะดุ n งจนพูดไม่เป็นภาษาเพื่อนในห้องก็ตื่นกันหมดเมื่อเพื่อนถามเขาว่าเป็นอะไรพี่แบงก์ก็ไม่ยอมตอบแล้วก็ย้ายที่นอนในทันทีแม้จะย้ายที่นอนแล้วแต่ประสบการณ์ในคืนนั้นก็ทำให้เขานอนไม่หลับเลยเมื่อเรากลับมาคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากมันเป็นตัวเราจะทำยังไงเราได้แต่ภาวนาว่า หากมีการเข้าค่ายที่ไหนอีกขออย่าให้ได้กลับมาเข้าค่ายที่นี่อีกเลยสมัมผัสสยอง